มีใครอยากจะถามอะไรไหมที่เราเข้าหาพระพุทธศาสนาก็เพื่อเข้าหาวิธีหาความสุขอีกรูปแบบหนึ่งความสุขที่เป็นความสุขที่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 เป็นความสุขที่มันมีความทุกข์ตามมาพอเวลาที่ความสุขที่เรามีอยู่หายไปหมดไปความทุกข์ก็จะตามมาแล้วมันจะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆเพราะต่อไปจะไม่สามารถที่จะรักษาความสุขที่เราหามาได้ ไม่สามารถหาความสุขไม่ได้เพราเครื่องไม้เครื่องมือที่เรามีอยู่คือร่างกายมันก็จะอ่อนกําลังไปเรื่อยๆต่ อ, อ, อไปมันก็จะไม่สามารถที่จะหาความสุขอย่างที่เราหากันได้อยู่ในขณะนี้พระพุทธเจ้าท่งค้นพบวิธีหาความสุขโดย ที่ไม่ต้องใช้ร่างกายหาความสุขอยากการใช้ธรรมะควบคุมใจให้ใจผลิตความสุขใจตอนนี้มักจะผลิตความทุกข์ขึ้นมาเพราะความหลงคิดว่าการทำตามความอยากต่างๆ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 ให้สติมาใช้กับการหยุดหยุดความคิดหยุดความอยากถ้ามีสติก็จะสามารถหยุดความคิดหยุดความอยากได้แต่ยังไม่สามารถทำลายความอยากได้เราต้องการทำลายความอยากให้หมดไปอย่างท้าวอนท่านต่อไปหลังจากที่มีสติแล้ว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 ก็ทุกใจไม่สบายใจแต่ถ้าไม่มีความอยากแล้วก็ไม่ต้องหาอะไรไม่มีก็ไม่ทุกข์ใจอันนี้เป็นขุนนโทษของการมีความอยากและการไม่มีความอยากไม่มีความอยากแล้วก็สบายกอนที่ไม่อยากดื่มกาแฟก็ไม่ต้องไปกอหากาแฟมาดื่ม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 ถ้าเราไม่มีของแรกเปลี่ยนเขาก็ไม่ให้เรามาเนเป็นการหาความสุขที่วุ่นวายที่ยุ่งยากลําบากอปวดหัวเครียดกันเครียดกันกันกบหาความสุขต่างๆจากสิ่งต่างๆจากบุคคลต่างๆซึ่งไม่ใช่เป็นความสุขที่แน่นอน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 ความอยากนี้เป็นเหมือนเจ้านาย เ, นเวลาเกิดความอยากแล้วต้องไปทำตามความอยากความอยากจะสั่งเอากาแฟมาถ้วยสิเอาเบียร์มาขวดสิไปเที่ยวที่นั่นกันหน่อยสิไปเที่ยวที่นี่หน่อยสิไปซื้อนูน่นซื้อนี่กันหน่อยพอสั่งแล้วก็ต้องไปทำตามความสั่ง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 ผิดกฎหมายผิดศีลธรร ม, มเพราะความอยากมันไม่มันไม่หยุดมันสั่งอยู่เรื่อยๆต้องเอามาให้ได้ต้องเอามาทางใดทางหนึ่งมันด้วย เ, เพศทุบายอะไรต่างๆก็ต้องเอากันผิดกฎหมายบ้างผิดศีลธรรมบ้างทุกวันในการกระทําผิดศีลธรรมผิดกฎหมายนี่เต็ไมไปหมดเย ถ้าไปติดต่อกับทั้งราชการนี่ถ้าไม่มีน้ำมันมหล่อลื่นเนี่ยมันไม่ไหลนะมันต้องมีน้ำมันหล่อลื่นเรื่องมันถึงจะไหลถึงจะถ้าไม่มีน้ำมันก็จอดติดแก๊กอยูนน่นั่งนั่งรอไปทั้งวันนะเขาไม่สนหรอกรอก็รอไปหมเวลาเขาก็กลับบ้าน อไม่ได้วันนี้ก็ต้องกลับมาพรุ่งนี้รอไปเถอดถ้าเขาไม่ทําให้จะไปทําอะไรเขาอถ้ามีน้ํามันหยอดหยดสองสามหยดนี่มันไหลลื่นไปเลยเรื่องราวที่ต้องการให้ทํานี่ปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บเสร็จแล้วออันนี้ก็เลยทุจริตไหมผิดศีลไหมผิดกฎหมายไหม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 แล้วทำกันมากเพราะว่าความอยากมันมากแต่ก็ได้มาเท่าไหร่ก็เทนะ่านั้นได้มาก็ใช้ไปใช้ไปก็หมดหมก็ต้องหาใหม่ทำผิดกฎหมาย ใ, ใหม่ทำผิดซีนแล้วทำใหม่เดี๋ยววันดีขึ้นดีไปทำข้อที่มันหนักๆเข้าเขาอ่า ก็ เ, เอาหูไปนะาวตาไปไล่ไม่ได้ก็ต้องถูกจับเข้าคุกเข้าตารางไป mm hmm. เพราะความอยากสั่งให้ไปทำถ้าไม่มีความอยากแล้วใ ค, ใ, คใครจะมาสั่งให้เราไปทําบาปได้ที่ไหนสั่งให้เราไปทำผิดกฎหมายได้ที่ไหน mm hmm. เพราะเราอยู่เฉยๆได้ไม่เดือดร้อน อันนี้อยู่เฉยๆไม่ได้พอความอยากเกิดขึ้นนหงดหงิ ด, งดนำคาญใจเอต้องหาวิธีระบายวิธีระบายความหงุดหงิดนำคาญใจก็ไปทําตามคําสั่งพอได้ดื่มกาแฟสักถ้วยนะหาย ห, หงุดหงิดทํางานทําการได้เป็นปกติพอได้ดื่มเบียร์สักขวด ในสุโขทัยสักโมนะฮะโล่งใจเบาใจสบายใจแล้วเดี๋ยวพออยากใหม่ค่อยว่ากันใหม่เดี๋ยวสักพักก็อยากขึ้นมาอาจจะอยากจยางอื่นก็ได้เพราะมันมันต้องมีหลากหลายได้รูปเสียงได้รูปแล้วเดี๋ยวพ็ต้องเอาเสียง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 ต่อไปก็ต้องพิสดารต้องต้องเป็นของแปลกของพิเศษอย่างนี้มันไม่มันไม่มันมันไม่สนุกอันนี้ของผลิตของกินนี่โอ้มีผลิตของแปลกแปกของใหม่ใหม่ม า, ม, ามาให้กินอยู่เรื่อยๆคนย์ช่างกิดเนี่ยเรื่อง เรื่องของกินนี่แหละคิดกันผลิตกันออกมาไอเห็นแล้วน้ำลายไหลเป็นก็ะบกัากลายเป็นตุ่มกันไปหมดเลยเป็นตุ่มเต็มบ้านเต็มเมืองไงสมัยก่อนฮนะคนที่เป็นตุ่มไม่กระด้าเพราะสมัย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 ขนมนมเนยเนีย่ของมันๆ น, นี่ยหวานๆ น, นี่ตัวที่ทําให้เป็นตุ่มกันเนี่ยพอผลิตโรงงานน้าตาลได้นไปไดนะ้ไะผลิตโรงงานน้าตาลผลิตน ล, ลงแป้งเนี่ยน้ําตาลแป้งเนี่ยเป็นพื้นฐานของขนมน ม, นมเนยทั้งหลายน้ําตาลแป้งนมเนยมาแล้วก็ผสมกันกินกัน กินแล้วมันมนทั้งทั้งหวานทั้งมันทั้งเค็มกินนล้าไม่รู้จักอิ่มไม่รู้จักพอกินได้ทั้งวันทั้งคืน <c oughs> เวลาไม่ได้กินก็ท ร, รมานก็ต้องกินหมอบอกว่าหยุดกินได้แล้วก็หยุดไม่ได้ยอมตายดิฟา ย, ยอมอดเนย ตายเพราะเรากินมากเกินไปเนี่ยเยอะอย่างนี้ไม่ได้อดตายเพราะขาดอาหารอย่างนี้ตายเพราะกินมากเกินไปโดนเบาหวานโดนความดันโดนไขมันอุดตันเนี่ยฆ่า mm hmm. เพราะความอยากนถ้าไม่ควบความอยากมันจะขยายตัวไปเรื่อยๆมันจะกินมากขึ้นไปเรื่อยๆ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 มีแผลเป็นเหมือนวัว ส, สังนงวะเวลาเห็นเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินมาหาก็คิดว่าเขาจะมาจับหรอกนะเวลาไปโกหกแฟนเดี๋ยวพอแฟนพูดอะไรขึ้นมาสักเิตเรื่องที่โกหกหน่อยเอี่เขารู้หรือเปล่านะไม่สบายใจนะนี่คือ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 ไม่เดานะ้ามาลาดกองไฟเอาน้ำมันมาลาดในลานเทน้ำมันไปใหม่ๆน้ำมันมันยังไม่ร้อนมันก็ทําท่าจะดับใช่ไหมลองเอาน้ำมันเทลงไปในกองไฟใหม่ๆเทไปเยอะๆ อ, อะไรเนี้ไฟมันก็จะทําท่าจะดับเพราะน้ำมันยังไม่มีอ่ายังไม่ร้อนยังไม่ติดตอนนั้นก็คิดว่าไฟดับะ แต่พอเผลิปับ๊บโอ้มันลุกขึ้นใหญ่กว่าเดิมเลยนะการทำความตามความอยากเวลาได้ทำตามความอยากความทุกข์ก็หายไปแล้วเดี๋ยวความอยากใหม่ขึ้นมาแรงกว่าเก่าหนะนักกว่าเก่านะตอนตอนก็อยากได้เล็กได้น้อยได้ทีละสิบยี่สิบก็ดีใจ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 โทษก็นหนักขึ้นไปเรื่อยๆความเครียดใจก็มากขึ้นไปเรื่อยๆไม่มีความสุขแต่มันก็อยู่มันก็ดีกว่าอยู่เฉยๆเพราะอยู่เฉยๆยิ่งเครียดใหญ่ยอมยอมทุกข์กับการไปทำบาปดี๋ยวก็เพื่อทำให้ความเครียดความเบื่อนเกิดลำคาญใจมันหายไป แต่เดี๋ยวพอทําบาปมากๆก็ผลบาปมันก็จะแรงกว่าความหงุดหงิด น, นำขาดใจนะอันนั้นก็สายไปแล้วไปติดทุกติดตารางนะนี่คืออำนาจของการทําตามความอยากยวิธีหาความสุขของพวกเรานี้เป็นวิธีหาหาด้วยความอยากต้องต้องมีความอยากก่อน แล้วถึงห า, อย า, หหาอยากได้นู่นไปอยากได้นี่อยากดูอยากฟังไปถ้าไม่ได้ดูไม่ได้ฟังก็หมดหิดไม่สบายใจลำคาญใจอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีที่หาความสุขที่ถูกต้องวิธีที่ถูกต้องก็คือต้องสกัดความอยากต้องฝืนความอยากยอมเครียดยอมหมดหิดสู้กับมัน เดี๋ยวพอมันแรงมันหมดเหมือนเชื่อเพิงพอเชื่อเพลิงมันหมดไฟก็ดับเองพอความอยากเราไม่ได้ทําตามความอยากมันอ่อนกําลังลงความญหงุดหงิดมันก็เบาลงแล้วก็หายไปไม่เชื่อลองทําดูเลยลองอยากกินกาแฟเนี่ยลองเลิกกินดูลองสู้กับมันดูอหมันญหงุดหงิดไปมึงยังญหงุดหงิดไปเท่าไหร่ก็ญหงุดหงิดไป มันก็เหมือนไฟมันก็ต้องไหม้ตามใดที่ยังไม่เชื่ออยู่มันก็ต้องไหม้ไปเดี๋ยวความอยากมันหมดมันความไฟมันก็หมดไปเองความอยากมันจะหมดไปได้ก็ต่อเมื่อเราไม่ตอบสนองเหมือนถ้าตอบสนองแล้วมันก็จะใหญ่ขึ้นไปเรื่อยๆมากขึ้นไปเรื่อยๆจะเริ่มโตขึ้นไปเรื่อยๆถ้าไม่ตอบสนองมันมันก็จะหดตัวลงไปลดลงไปเบาลงไป เดี๋ยวก็หมดเองจึงนี้นาวิธีให้ลองนั่งเฉยๆสักห้าหกชั่วโมงโดยไม่ต้องไปทํามันอยาอยากจะทําอะไรก็ไม่ต้องไปทํานั่งเฉยๆสู้กับความอยากอถ้าอนุญาตถ้าร่างกายต้องการน้ําก็ให้ดื่มน้ําเอาน้ําเปล่ามาตั้งไว้ดื่มน้ําเปล่าให้กับร่างกายนี้ไม่ได้ดืม่มด้วยความอยากไม่เป็นไร ในเวลาจะถ่ายน้ำออกจากอ่างกายก็ไปถ่ายอันนี้ก็ไม่ได้ถ่ายด้วยความอยากแต่อย่างอื่นอยากไปทำอยากจะลุกขึ้นยืนอยากจะเดินไป่ต้งนุ่นอยากจะอยากทั้งนั้นนั่งเฉยๆอยู่เฉยๆทำไมดีจตายไปคนอยู่เฉยๆคนต้องไปแบกเข้าสารไ่ทำงานไปขับรถนี้อันไหนมันจะสบายกว่ากันแต่คนเราชอบกับชอบความทุกข์กันความสบายกับไม่ชอบกัน ชอบไปทํางานกันคขำเคร่งกับคขำเคร่งคําเครียดกับการทํางานกันให้อยู่เฉยนี้กับอยู่ไม่ได้เอยู่เฉยให้เป็นสุขจะตายไหมเพราะความอยากมันดันมันกดมันสร้างความเครียดสร้างความหงุดหงิดลาคาญใจถ้าอยากจะสู้กับความอยากนั่งเฉยแล้วก็ ใช้สติคอยควบคุมความคิดให้มันหยุดคิดแล้วความอยากมันก็จะอ่อนกำลังลงถ้ามันหยุดคิดความอยากก็นิ่งหายไปถ้าจิตสงบเต็มที่ความอยากก็หายไปหมใจก็จะเบาขึ้นมาสุขขึ้นมาอุบายวิธีให้ต่อสู้ให้พัฒนาการนั่งเฉยๆแค่นั้นไม่ต้องทำอะไร สบายจะตายเลยเงินก็ไม่เสียสักบาทนั่งเฉยๆทำไมกลับไปชอบเสียเงินกันล่ะลองออกไปเสียเงินแล้วถึงจะมีความสุขกันแต่ความสุขเดียวเดียวเดี๋ยวกลับมาอยู่บ้านทัพพ์ ก, ก็อยากจะออกใหม่แล้วเดี๋ยวเงินหมดก็ต้องไปหาเงินกันอนะีกแลเนี่ยปัญหาอยู่แค่ตรงนี้เอง อย่าไปใช้เงินเลยไม่มีเงินใช้ก็อย่าไปใช้มันเป็นจำเป็นจะต้องใช้เลยใช้กับของจำเป็นมันก็ไม่กี่ตังค์ข้าววันละมื้อละกี่บาทกินวันละมื้อก็อยู่ได้แล้วร่างกายจะได้หายจากการเป็นตุ่มไปด้วยสู้ความอยากไม่ได้ความอยากมันทำให้ทรมานใจ ถ้าไม่สู้ก็ต้องเป็นธาตุองมันไปอย่างนี้นไปเรืเ่อยๆตายไปก็กลับมาเกิดใหม่ไม่มีวันสิ้นสุดทุกแบบนี้ไปเรื่อยๆทุกกับความอยากไปเรื่อยๆุดหิดกับความอยากไปเรื่อยๆถ้าอยู่เฉยๆได้แล้วสบายเอวังก็มีด้วยประกาศฉะนี้มีพระเทศเอวังก็พอให้อยู่เฉยๆให้หยุดความอยาก ใน้วังก็มีด้วยประการลัชนิถ้าอยู่เฉยๆได้แล้วก็สุขโตไปสู่สุขติไปสู่นิพพานนิพพานคือสุขโตเนี่้วหละ ความรู้ของพระพุทธเจ้าที่ไม่มีใครรู้มาก่อนพอคนเอาไปใช้ปฏิบัติก็ได้ประโยชน์เนี่ยไปสุขติกันไปนิพพานกันเป็นจำนวนมากเลยพระอรันตสาวกนี่ mm. เพียงช่วงเจ็ดเดือนแรกนี่มีตั้งหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์แล้วก่อนหน้านั้น เป็นเวลาหลายกลับหลายกันไม่มีแม้แต่องเลียวเพราะไม่มีใครบอกวิธีให้เป็นว่าเป็นอย่างไรพอพพุทธเจ้ามาแสดงอริยสัจสี่ปั๊บนี่พอความอยากนี้เองหยุดความอยากได้ทำใจให้สงบฝืนความอยากไม่ทำตามความอยากเห็นโทษของความอยาก<ม>ก็จะ ทำลายความอยากได้หมดถ้าเราเห็นความอยากว่าเป็นยาพิษเราจะกล้ากินมันหมันนั้เราไม่เห็นความอยากว่าเป็นยาพิษเราแค่เห็นว่าเป็นขนมหวานนพออยากก็ทาตามมันเลยมันสั่งให้ทำอะไรทำตามมันเลยแล้วเป็นไงชีวิตของเราวุ่นวายหรือสงบนะตีวุ่นวายกันทุกวันนี้ก็วุ่นวายด้วยความอยากนี่แหละ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 นานจะได้เจอคนอย่างพระพุทธเจ้าสักครั้งหนึ่งที่จะมาบอกพวกเราว่าปัญหาของพวกเราอยู่ที่ความอยากของพวกเราเราต้องใช้สติสมาธิปัญญาถ้ามีสามตัวนี้แล้วความอยากจะสู้ไม่ได้เนี่ยความอยากเขาเรียกว่าอาธรรมอธรรมก็คือสติสมาธิปัญญาที่เขาพูดว่าธรรมย่อมชนะอธรรมนี้เขาไม่ได้หมายถึงคนดีจะชนะคนชั่วหรอก ตมันนี้คนดีแพ้ ค, คนชั่วทั้งนั้นแหละใช่ไหมคนชั่วมันมีอาวุธมันมันทําได้ทุกรูปแบบคนดีทําไม่ได้คนดีจะไปชนะคนชั่วได้ยังไงอันนี้ไม่ได้ชนะแบบนั้นทําก็คือเนี่ยสติสมาธิปัญญาเอามาใช้กับอาธรรมคือคู่ต่อสู้ของธรรมก็คือตัญหาความอยากนี่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 ยาวหรือออกเดินวิ่งได้ก็ต้องถอนสมองก่อนถ้าไม่ถอนสมองยังไปติดกับเรื่องหาเงินหาทองเรื่องใช้เงินใช้ทองอยู่มันก็ไม่มีเวลาที่จะมาเจริญสติสมาธิปัญญาไม่มีเวลามารักษาสีแนใบบริสุทธิ์ได้เลยต้องรักษาสีแใให้บริสุทธิ์จะได้ใจจะได้ไม่มีเรื่องมีราวกับใครไม่มีปัญหากับใครงั้นเดี๋ยวต้องไปแก้ปัญหาขึ้นลงขึ้นสางกันือ ก็จะไม่มีเวลามาจะปิกวิเวกกันทานศีลมีไว้เพื่อให้เราเปิดช่องทางให้เราได้มาปิกวิเวกมาเจริญธรรมะกันเพื่อจะได้เอาชนะอธรรมที่มีอยู่ในใจตอนนี้อธรรมมันคองใจเราอยู่เราต้องเอาธรรมะมาทำลายมันตอนนี้เราไม่มีธรรมะกันสติไม่ค่อยมีเลยเผลออยู่เรื่อยๆใจรออยู่เรื่อยๆ คิดด้วยเปืยไปเรื่อยอยากไปเรื่อยสมาธิจิตไม่เคยรวมไม่เคยสงบไม่เคยตั้งมั่นหน่ยเป็นเหมือนปุยปุยนุ่นปลิวไปกับอารมณ์ต่างๆอารมณ์อะไรมากระทบหน่อยก็ไปแล้วหวั่นไหวแล้วคิดถึงความเสื่อมหน่อยก็หวั่นไหวกันล้ว คิดถึงเวลาไม่มีเงินจ่ายค่าเช่าบ้านก็ปวดหวั่นไหวกันละคิดถึง เ, เหตุการณ์ที่ไม่พึงปรารถนาก็หวั่นไหวกันลเะเข้าใจไม่มีสมาธิถ้ามีสมาธิแล้วใจจะเฉยกับเหตุการณ์ต่างๆไม่มีความรักความชังความกลัวความหลงเฉย เห็นอะไรก็สักแต่ว่ารู้ถ้าไม่เฉยก็ต้องใช้ปัญญามาช่วยมันจะเฉยเฉพาะเวลาที่มันปิดทวารทั้งห้าไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆสมาธินี้จะไม่รับรู้เรื่องราวต่างๆจะเข้าไปรวมอยู่ข้างในไม่รับรู้รูปเสียงกลิ่นรสผดพภามันเลยเฉยได้มันเป็นอุเมกขาได้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 ความรักความช่างความกลัวความหนงน่นี่เป็นตัวที่มาทําลายความสงบความสุขของใจอ<ม>อย่าไปรักอะไรอย่าไปช่างอะไร<ม>ให้รู้เฉยๆต่<ม>รู้ว่าจะไม่รักได้ต้องรู้ว่ามันไม่เทียงรักกลนแล้วเดี๋ยวเสียไปก็จะเสียใจพอ<ม>เห็นว่าไม่เทียงไม่รักดีกว่าอ<ม>เห็นอะไรช่างก็บอกว่าเราไป ห้ามเขาไม่ได้จะเจอเขาไม่เจอเขานี่ห้ามไม่ได้เวลาจะเจอก็ทําใจเฉยๆไว้อยากไปอยากให้เขาหายแล้วจะไม่มีปัญหาเลยแต่จเจอของที่เราชังก็ต้องทําใจเฉยๆว่าห้ามไม่ได้เป็นวิบากของเราถ้ามาเกิดในโลกนี้มันจะต้องเจอของที่เราไม่ชอบในวิธีที่จะปฏิบัติกับเขาก็คือเฉยๆซะ อย่าไปยุ่งกับเขาเวลาเจอความกลัวก็พิจารณาว่าอย่างมากก็แค่ตายเอไม่มีใครไม่ตายมันก็หายกลัวเวลาหลงก็ต้องศึกษาว่ากําลังหลงกับเรื่องอะไรหลงว่าเป็นของเราก็ต้องใช้ปัญญาหวอกไม่ใช่ไม่มีอะไรเป็นของเรา เรามาตัวเปล่ า, เ, ลาเดี๋ยวเราก็ไปตัวเปล่าๆใจเป็นใจผู้มานี้ไม่มีรูปไม่มีร่างไม่มีทรัพ์สมบัติไม่มีวัดไม่มีอะไรติดตัวมามาได้ร่างกายมาได้สมบัติต่างๆแล้วเดี๋ยวพอร่างกายตายไปมันก็เอาอะไรไปไม่ได้ร่างกายก็ไปไม่ได้คือใช้ปัญญามาสกัด ใช่อันนี้จังทุกขงังอนัตารักก็ทุกนะเวลารักก็ทุกเวลาชังก็ทุกนะเวลากลัวก็ทุกเวลาหลงก็ทุกนะให้คิดอย่างนี้จะได้ไม่รักไม่ชังไม่กลัวไม่หลงถ้าไม่อยากจะทุกวิธีไม่ทุ ก, ก็เฉยเฉยเท่านี้เองอย่าไปรักอย่าไปชังอย่าไปกลัวอย่าไปหลง อย่าไปคิดว่าเป็นของเราเนี่ยความหลงทำให้เราคิดว่าเป็นของเราความกลัวก็ความความอยากจะอยู่อยากไม่ให้อะไรจากเราไปแต่ไม่ช้าก็เร็วเราก็ต้องจากทุกสิ่งทุกอย่างไปนี่คือ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 ยืมเดื่ดยาพิษมันก็แป๊บเดียวตายมันก็จบแล้วม้วนเดียวจบ ก, กินแก้วเดียวก็จบละทุกทุกแบบยาพิษนี่ทุกแป๊บเดียวกินแล้วก็ตายแล้วก็จบละแต่ทุกแบบกาแฟนี่มันยาวเป็นหนังเป็นปีเลยทุ ก, กมันอยู่เรื่อยๆทุกทุกเช้าทุกเวลาพอยาวกว่าก็ทุกละเนีาย ความอยากดื่มยาพิษนี่มันไม่ไ ม, ไม่ร้ายกาศเท่ากับความอยากดื่มกาแฟอยากดื่มโซดา อ, อันนั้นนมันแบบค่าผ่อนส่งฆ์ไงเชือดเฉือนเทีนิดทีนหน่อยวันนิดวันนนั้หน่อยวันหนึ่งก็มีดมาเฉือนหน่อยทุกครั้งที่อยากก็นอนมีดเฉือนทีแต่แ้วดื่มยาพิษนี่กอดเข้าไปในปากคนเดียวจบเลยกินแล้วตายแล้วก็จบ ให้มองเห็นว่าการทำตามความอยากเหมือนกับการเอายาพิษมาใส่ใส่ใจทำให้ใจช่างทรมานต้องกลับมาเกิดเกิดนี้ไม่รู้กี่พบกี่ชาติแล้วก็เพราะความอยากนี้ทาให้มันเกิดกันกแล้วก็แก่แล้วก็เจ็บแล้วก็ตายแล้วก็พัดพากจากกันน้องห่มร้องไห้กันใช่ไหม โถอย่าไปเลยอย่าไปเลยทําไมต้องไปด้วยโถเกิดมาทุกคนต้องไปทั้งนั้นมีใครไม่ไปบ้างเวลาไปนี่ร้องไห้ฟุ้งไฟโทษคนนั้นโทษคนี้เพราะอย่างนั้นเพราะอย่างนี้นนขึ้นมาไม่ได้โทษเพราะความความความเกิดเลยไม่ได้โทษเพราะความอยากเลย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 เราต้องเห็นว่าความอยากนี้เป็นอข้าศึกศัตรูหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งของเราคือความอยากศัตรูของเราหมายเลขหนึ่งคือความอยากและผู้ที่จะมาทําลายความอยากได้ก็คือธรรมะธรรมะของพระพุทธเจ้าอถ้ายังหาเงินใช้เงินอยู่ก็ยุติได้แล้วหาได้ให้หาเฉพาะ หาห า, หาปัจจัยสนีะ่พอละอย่าหามากกว่านั้นหาปัจจัยสี่เรื่องจเป็นต้องมีแต่อย่าไปหาอย่างอื่นเนละอย่าไปหาปัจจัยห้าปัจจัยหกนะปัจจัยห้าก็มือถืออะไรนี้ไปไหนไม่มีขาดมือถือไม่ได้นะไปไหนเห็นมือถือกันทุกคนนะเดี๋ยวนี้สบายเวลาอยากจะใช้โทรศัพท์นี้ไม่ต้องไปหาตู้โทรศัพท์ใครมาก็ถามขอยืมใช้เขาสบาย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 ถ้ามันจำเป็นสมัยคนสมัยก่อนก็ไม่มีรถเขาไม่มีถือก็อยู่กันได้ปู่ย่าตายายของเราสมัยก่อนก็มีที่ไหนเข้าไปไหนมาไหนก็เดินงินไปบ้างขึ้นรถเมล์ลงเรือเมล์ลงเรือพายเรือกันไป เ, เขาก็อยู่กันได้ไม่มีปัญหาอะไรต้องมากำจัดความอยากกัน ถ้าย่างหาเงินอยู่ก็หาเฉพาะปัจจัยสี่ถ้ามีพอแล้วก็หยุดถ้ามีสำรองเก็บไว้อยู่ได้หลายปีก็หยุดได้แล้วพอเวลามามารักษาศีลให้บริสุทธิ์จะได้ไม่มีปัญหากับใครแล้วก็มาปีกวิเวเดินจงกลมนั่งสมาธิจเจริญสติมีสติเวลานั่งจิตก็จะเป็นสมาธิคําว่าสมาธิก็นิ่งตั้งมั่นสักแต่ว่ารู้ อันนี้เรียกว่าสมาธิสมาธิเป็นผลที่เกิดจากการมีสติถ้าไม่มีสติก็จะไม่มีสมาธิ่ปัจจุบันเราใช้คําว่าสมาธิแทนสติกันเวลาที่เราอ่านหนังสือแล้วอ่านไม่รู้เรื่องเราบอกว่าไม่มีสมาธิในการอ่านหนังสือเลยจริงๆไม่ใช่สมาธิไม่มีสติอยู่กับการอ่านหนังสือใจไม่จดจ่ออยู่กับการอ่านหนังสือก็เลยอ่านไม่รู้เรื่องทํางานไม่รู้เรื่องเพราะ กังวลกับปัญหาอย่างอื่นปัญหาที่บ้านปัญหาลูกปัญหาครอบครัวเวลาทํางานก็ทําไม่รู้เรื่องเพราะมันมีปัญหามาคอยรุมเร้าจิตใจอยู่ทำงานก็เลยทําผิดผิดถูกถูกไปเขาเรียกว่าไม่มีมเขาเด็กภาษาเขาเขาใช้คําว่าสมาธิกันไม่มีสมาธิในการทํางานไม่มีสมาธิในการ อ, าอ่านหนังสือเขียนหนังสือ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 ที่เป็นร่างกายทิพย์เหมือนกันมามาติดต่อกันได้เยนพวกอุปจารสมาธิเขาจะไม่นิ่งสงบแล้วเขาจะไปรับรู้ดวงวิ ญ, ญญาณต่างๆดวงจิตดวงใจที่ไม่มีร่างกายแล้วเช่นเรียกว่าพวกพวกกายทิพย์ทั้งหลายนี่คือสมาธิ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 พอคิดปุ๊บ ก, ก็หยุดปัด๊บต้องอย่างนั้นต้องไม่ให้มันคิดเลยให้รู้เฉยๆไปเรื่อยๆถ้าไม่มีกำลังก็ต้องใช้วิธีอุบายใช้พุทธโธก็ะดาท่องพุทธโธพุทธโธไปมันก็จะไปคิดไม่ได้หรือให้มันเฝ้าดูงานที่เรากำลังทำอยู่กำลังหวีผมก็ให้อยู่กับการหวีผมอย่างเดียว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 ความอยากก็หยุดทํางานก็จะพบกับความสุขที่ไม่มีค่าที่เกิดจากการไม่มีความอยากเรียกว่าความสงบของใจพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าไม่มีความสุขกันใดจะเลิ่อกับความสุขที่ได้จากความสงบเลยความสงบที่สงบความสงบที่เกิดจากการระงับความอยากต่างๆนี่แหละ คนที่เราจะได้จากการฝืนความอยากจะได้ความสงบได้ความอิ่มได้ความพอถ้าเราสากัดมันไปเรื่อยๆฝืนมันไปเรื่อยๆต่อไปมันจะหมดกําลังไปงถ้าเรารู้ว่ารู้ด้วยปัญญาว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นพิษเป็นภัยต่อจิตใจเราก็จะไม่กล้าอยากต่อไป เหมือนกับเราไปแตะไฟครั้งหนึ่งแล้วเราต่อไปไม่กล้าไปแตะมันนะใช่ไหรู้ว่าแตะแล้วมันเจ็บอ่ะไม่แตะของที่มันร้อนอยู่เลยต่อไปนี่ไม่เอาเลยแต่ก่อนหน้านั้นหมเก่งไม่กลัวออไฟเหลอสูออ้พอไปเจอมันเข้าจริงๆนี น, นะกลัวเลยต้องเห็นโทษของความอยาเหมือนกับเห็นโทษของไฟเ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 หายไปหมดเลยสงบนิ่งเงียบไปหมดเลยเบา อ, อกเบาใจสบาย อ, อกสบายใจนี่การสู้แบบไม่ต้องใช้อะไรเนี่ยใช้ใช้สติใช้ปัญญาใช้แค่นี้ยสู้กับมันไปไม่ต้องเข้าสมาธนะิใช้สติใช้ปัญญาสู้กับมันเถ้าเข้าสมาธิก็เหมือนกับไปหลบมันเดี๋ยวออกมาก็ต้องเจอมันอยู่ เนี้นก็สู้กับมันให้มันตายต่อหน้าต่อตาไปเลยถึงบอกว่าลองนั่งเฉยๆดูสักห้าหกชั่วโมงละไม่ต้องทำตามความอยากให้นั่งเฉยๆนั่งหางเก้าอี้สบายๆไม่ต้องทอรมานร่างกายแต่ห้ามหลับนะห้ามนั่งหลับไม่ได้นะคิดว่าเรากำลังนั่งรถไปไหนก็ได้นั่งรถไปเชียงใหม่ ขยับไปไหนไม่ได้อยู่ในรถก็ต้องนั่งเฉยๆทาไมนั่งรถไปเชียงใหม่นั่งกันได้พอให้นั่งเก้าอี้ที่บ้านคนเดียวเฉยๆทาไมนั่งไม่ได้พอแลนั่งรถมันมีของดูใชไหแต่ถ้ารถจอดอยู่เฉยๆนี่อุ่นหนิวละเลยพอรถไปติดไฟดงไฟแดงแล้ว ร, รถเสียรถติดวิ่งไปไหนไม่ได้ไม่ได้ไไดเดี๋ยวก็อึดอัดละแต่พอรถวิ่งได้ก็หายอึดอัด เพราะมันได้เห็นภาพได้เห็นภาพเปลี่ยนไปเรื่อยๆเปลี่ยนภาพมีภาพใหม่ๆให้ดูไปเรื่อยๆนี่หละคือเรื่องของความอยากของความไม่มีความอยากถ้าอยากจะํำลายความอยากก็ต้องสร้างทำขึ้นมาสู้กันมันสร้างสติสร้างสมาธิสร้างปัญญาใช้ทานกสีนเป็นตัวเบิกทาง เลวกหาเงินหาทองเพื่อทาตามความอยากหาเฉพาะเพื่อเลี้ยงปากเลี้ยงทองแล้วก็รักษาสีได้บอยสุด์จะได้ไม่มีปัญหาไม่มีเรื่องราวกับใครไม่ต้องไปติดคุกติดตารางขึ้นรงขึ้นศาลเราก็ไปเปริกไม่เวกเนี่ยหรือ<ม>นั่งอยู่ที่บ้านก็ได้ถ้าอยู่คนเดียวที่บ้านเนยก็นั่งสบาย นั่งเฉยๆไม่ต้องทําอะไรสู้ความอยากอยากจะเดินก็ไม่ต้องเดินอยากจะนอกจากมันเมื่อยจริงๆก็อนุญาตให้ยืนตรงข้างๆเก้าอี้นั่นแหละไม่ต้องไปไหนแล้วถ้าปวดท้องก็เข้าห้องน้ําได้นอกจากนั้นแล้วไม่ให้ทําอะไรทั้งนั้นไม่ให้ดูไม่ให้ฟังไม่อะไรทั้งนั้นไม่ให้อ่านหนังสือไม่ให้ฟังธรรมะอะไรไม่เอาทั้งนั้น สู้กับความอยากด้วยสติอยากคิดคถ้ามันคิดอะไรก็หยุดคิดเสพุโทโธพุโทโธไปดูลมหายใจไปหางานอะไให้มันทยพุโทโธก็ได้ดูลมหายใจก็ออกก็ได้มันก็จะผ่อนคลายความเครียดได้ถ้าไม่มีอะไรเลยมันจะอกแตกตายมันจะทนไม่ไหว นองจากมีมีกาลังมากมีสติมากมก็จะฝืนสู้กับความอยากได้ดูความอยากไปมึงจะอยากก็อยากไปแต่กูไม่ทาตามมึงเนี่ยเดี๋ยวมันก็ยอมแพ้เองพอมันรู้ว่าเราไม่ทาตามมันจริงๆมันก็หยุดเองพอามันหยุดแล้วก็เบาสบายนั่งแบบไม่เครียดได้ น, นี่แหละคือ ข้าศึกสัตรูของพวกเราคือความอยากอย่าไปรับใช้มันถ้าไปรับใช้มันก็เหมือนกับเรายกธงขาวข้าศึกบุกมาปั๊บก็ไม่สู้แล้วยกธงขาวเลยพี่ต้องการอะไรเอาไปเลยพี่ต้องการให้ทําอะไรสั่งมาเลยก็เป็นท่าของมันไปเหมือนอย่างที่เป็นอยู่ขณะเนี้ยมันสั่งให้มาเกิดก็ต้องมาเกิดเกิดแล้วเวลาแก่ก็ทุกข์ก็ไม่อยากแก่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 เพราะเราหยุดความอยากได้ไม่ทำตามความอยากก็คิดว่าเร็วนะคุยแป๊บเดียวเกือบชั่วโมงแล้วเวลาเทศรู้สึกว่านานกว่านี้แต่กับไม่นานแต่นี่นั่งคุยไปเรื่อยๆเกือบชั่วโมงนะ เดจะให้พรก่อนเนี่ยเพื่อใครอยากจะกลับหรืออยากจะอะไรก็ว่าไปอีกทีนี่อ ย, ยะถาวาริวาหาปุราปรุรุเรนติสาขังเอวเมวะอิตโตทินางเปตานังอุปการปติอิจิตังปัีิตังตุมหังคิปเปเมวะสมิจโตสพเพปุเรนตุสังกปา จันโทปนะระโสยถามณิโชติระโสยถาสพิตโยวิวจาญตุสัพพะโรโวินัสสตุมาเตภวัตวันตารโยสุขีทีคายุโกภวะอภิวาธนสีลิสะนิจังวุตตาปะจายโนยัตารุธรรมวัฏานติ อายุวันนสุขังภาลราอลองไปทำดูนะคุณสวรังลองนั่งสักเฉยๆสักห้าชั่วโมงดูไม่ต้องทำอะไรนอกจากดื่มน้ำเปล่ากับข้าห้างน้ำเท่านั้นนอนั้นไม่ให้ดูไม่ให้ฟังไม่ทําทำอะไรทั้งนั้นให้ทำสมาธิให้ทำสติได้ให้ทำปัญญาได้เดี๋ยววัน แต่ได้เพิ่มมาตรการกา ร, า ร, การปฏิบัติงังอยู่ทำอยู่ใช้มันอยู่กับที่มันต้องมีมันต้องมีอะไรโหดๆเพิ่มขึ้นต้องมีโหดมาเองคือว่าเอ่อที่ที่ท่านบอกว่าความอยางเราเราเข้าถึงเราทุกวินาทียี่บสีช่ชั่วโมงนี้โยมก็คิดว่าเราเป็นั่งสมาธิและตอนที่มันว่างๆสงบสงบที่นะคะ มันก็ไม่เข้ามาเราก็ไม่อยากมันก็ไม่อยากจริงๆเพราะเราเกลีดหมดนะคะเอ่อตอนนี้มันเหลืออีกหลายชั่วโมงนะคะที่เราไม่ได้สมาธิ<ม>เราไม่ได้ทําเอ่อแบบเอ่อมีสติแบบเจริญสติจริงๆมันก็เข้ามานะคะอย่างยกตัวอย่างว่าโยมก็วันก็แค่จะมาใส่บาตรโยมก็ิบคิดว่าจะหาอะไรที่มีประโยชน์มาถวายท่านมาถวาย่ระ นี่นก็มันก็อยากแล้วนะฮะก็ไม่ได้คิดอะว่าที่ยมอมเ อ, อ่อเอ่อทำสมาธิไปหกท่มเนี่ยมันก็ออมอสมุนไพรทะเลเรียบไนะคะก็ไปมันได้เรื่อยๆอีกสิบปีมันคงไม่ได้เรื่อยนีย่ก็อจารย์บอกเตือนวันนี้นะคะว่าความอยากเนี่ย ก็ไปสู้กันต่อหน้าเลยเอสู้กันจะจระเลยปัานกันให้ยับไปนอกรอบเลยเอนะอย่า่ปนี่อย่าไปหลบเลยคือว่ามันต้องทํานอกนอกนอกที่เราต้องทําตอนที่มันเกิดขึ้นมาแหะมันอยากอะไรต้องหยุดมันนะไม่ใช่ไปทําแต่สภาพกั้นกันมันไม่ให้เข้าตอนสมาธิใช่ไหมคะได้เลยเอะ พออยากกาแฟาปั๊บโยนกาแฟาทิ้งนนเล ย, ย, ย, ย, ยทิ้งเลยเยใจ้ถ้วยแตกแล้วกันเท <c oughs> ทิ้งเลยให้มันหมดไปเลยะจะได้ไม่มีอะไรมายุ่ยวยวนกลนใจ อ, อยากดูทีวีก็ยกทีวีให้คนอื่นไปเลยโยนไีหมด ท, ทิ้งเลยอนันนี้ขอขอมาคุณค่ะเองเอาชั่วคราวก่อน้องนั่งเฉยๆสัก 5-6 ชั่วโมงก่อน <c oughs> ไม่ต้องทําอะไรกินข้าวให้อิ่มเรียบร้อยแล้วก็ไม่ต้องทาอะไรห้าชั่วโมงนั่งไปเดื่มน้ำอย่างเดียวถ้าหิวน้ำเขาห้องน้าได้น้องนั้นไม่ให้ไปจากเก้าอี้นั้นนอกจากยืนถ้านั่งนานๆมือ่อ ก, ก็รูกกร้ ก, กันยืนยืดไว้เลยนะเก้าอี้ยืดไปน้ามไปทําอะไรทั้งนั้นอิบายที่ดีมากค่ะ ท่นคะเวลาเราบริกรรมพุทโธกับบริกรรมของคนและฝันนังนะคุณภาพของสติที่เกิดขึ้นนี่มันเท่ากันไหมคะเพราะว่าอันนึงคำสั้นกับอันนึงคํายาวก็แล้วแต่ก็แล้วแต่แล้มันไม่สงบหรอกมันเพียงแต่ว่ามันทําให้ใจไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆมันระงับความฟุ้งซ่านแต่มันไม่ทําให้ใจนิ่งสงบรวมเป็นหนึ่งถ้าอยากจะนิ่งมันต้องอยู่กับเรื่องเดียวนั่งเฉยๆหลับตา พุทธโธอย่างเดียวแล้ว mm hmm. ดูลมอย่างเดียวอย่าเงี้ยมันถึงจะลงแต่ถ้าโทดีที่สุดก็แล้วแต่จิตเดียว mm hmm. บางคนก็ดูลมอย่างเดียวบางคนก็เพ่งอาการได้อาการหนึ่งเส้นกระดูกเงี้ยนึกดับตาแล้วนึกภาพของโครงกระดูกขึ้นมา mm hmm. แล้วให้มนหันอยู่กับภาพนั้นไปภาพจิตก็จะรวมได้ให้มันอยู่กับเรื่องเดียว mm hmm. เพ่งอยู่เน เพราะต้องการให้มันเป็นหนึ่ง ไ, ม, ไม่ได้ให้มันเป็นสองเป็นสามที่ให้เท่าอาการสามสิบสองส่วนมนี่เป็นการดึงใจให้มันออกจากเรื่องวุ่นวายต่างๆก่อนเรื่องฟุ้งซ่านต่างๆปิดเรื่องคนนู้นคนนี้ชอบคิดกร้ามคิดกับเรื่องผมขนเรื่องฟันแทนพอคิดไปสักพักมันก็จะเบาแล้วก็พุทโธหรืออ า, อาการใดาอาการอึ่างของสามสิบสองนี่อ่า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 ดูโครงก็ดูก็ได้ถ้าอยากถ้าชอบร่างกายชอบอวัยวะต่างๆก็ดูถ้าชอบซรากศพก็ดูศพก็ได้เพ่งดูศพไปให้มันมีอันเดียวเพ่งดูศพก็เล้วกมอนานุสติถ้าเพ่งดูลมก็อนาปนสติถ้าพุทโธก็พุทธานุสติ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 แต่พอมันไปคิดแล้วก็หยุดเอวเรื่องเดียวตอนตอนตองแรกๆที่แะจะเริ่มเราก็มีวอง์อัพนะอร์ม อ, อัแบบฟังฟังเทศธนาจายของ หมอมมากได้ถึงว่าวอมมันจะวอมยังทั้งหมดแล้วควรจะหมดแรงพอดีหอมวอมเสร็จต้อจะนั่งสมาธิไม่มีแรงมันจะติดหัวะลยเนี่ยก็มก็วอมรับแค่ห้านาทีก็พอนี่หวอมรับทั้งสองชั่วโมงโง่ไกล้าต้องฟังด้วยนะฮะตัดดีแ้วก็เพ่งคือว่าจดจดจออยู่กับเสียงอาจารย์เทศเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะนิ่งอยู่กับเรื่องธรรมะใช่ไหม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 วอร์มแล้วก็ไม่ต้องวอร์มนะอย่างรถเนี่ยมันถ้ามันตอนเช้ามันก็ต้องวอร์มหน่อยแต่ตอนกลางวันไม่ต้องวอร์มแล้วมันวิ่งอยู่ทั้งวันเนีย่ยไปวอร์มมันอยู่เลยเดี๋ยวมันจะไปติดที่วอร์มอ่ะมันจะไปตจดอยากจะถวายอะไรเข้ามาใครมีอยากจะถวายข้าวของอะไรเข้ามา เดี๋ยวจะได้ไมีถามตอบปัญหาอาจจะมาล้ำรูกลับวะไม่ไมอ่า<ม>จะอยู่ต่อแล้วค่ะลูกไม่ทราบว่าเลยอ่มประกัน เก่ง pues ช่วยเอาลงนี้กันะ เดียวนะเดียวหน้าคนเดียวเหร อ, อ, อน้าพรมายังไงอ่ะยืนอยู่รถขับมาเดาไปทำอะไรอยู่อ่ะตอนนี้มันก็ลำบากพอๆนะครับว่าจะไปปรึกษาทางารว่ามันมีช่องทางต่างๆเนี่ยมันสาช่องทางแต่ว่ามันติดหมดเลยครับว่าติดมันมีอุปสรรค มองก็เห็นลูกประศัดิ์อยูแล้วะครับว่ามันเดินเข้าไปเนี่ยแต่ที่นี้มันก็คงไม่มีทางเดินนะว่มันคงว่ต้องต้องเดินไปสทางแดงเพราะว่ามันยังจำเป็นต้องอยู่ร้อดนะครับก็เลยว่าจะมาปรึกษาท่านอาจารย์ว่าไปทางไหนครับผม <c oughs> ก็ทางไหนดีก็ไปทางนั้นก็แล้วกันทางไหนทางเลือกที่ดีที่สุดก็ไปทางนั้นก็แล้วกัน <c oughs> อะนะ <c oughs> อ่านหนังสือไปอ่านเอ้ก็ได้นะวันนี้เข้ามาเท่าไหร่นะวันนี้เหรอสองอบอทูปยทขี่สามสิบเก้าสเก้าขี่ขึ้นไปถึงสี่สิบี่ อ, 3 3. อ่าแล้วก่อนนั้นนั้นขึ้นถึงเท่าไหร่340้ส่บามีกว่าอ่า ราคาถึงเท่าไหร่นะเนี้แสนแสนกว่าแสนกว่าเลยอ่าเดี๋ยวนี้มันจะอยู่ตัวประมาณแสนกว่ากว่านะมีคําถามเข้ามาหรือยังมีอ่ะอ่าเจอเลยคําถามจาก y o u ูทูบคำถามจากคุณอาร์มอยากให้พ่อแม่สนใจศึกษาทำมัต้องเริ่มอย่างไรดีครับก็เราศึกษาก่อนเนี่ยอย่าพิ่งไปอยากให้พ่อแม่ศึกษาเลยเราศึกษาของเราไปก่อน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 กันไม่ได้แนละ้งนั้นเรื่องของความอยากนี่ของใครของมันเยเราทําได้อย่างมากก็คือให้มีธรรมะอยู่ใกล้มือเผื่อเขาเห็นเข้าแล้วสนใจอยากจะรู้ว่าเป็นอะไรเขาอาจจะหยิบขึ้นมาอ่านก็ได้ถ้าอ่านแล้วถ้าถูกใจเขาก็จะอยากเองดังนั้นของนี้เรื่องของความอยากนี่ต้อง เก่ดจากตัวของบุคคลตัวพ่อตัวแม่เองจะดีกว่าเราอยากแล้วเขาไม่อยากมันก็มันก็เป็นไปไม่ได้ยัวิธีจะทำให้เขาอยากก็อย่างนี้ใกล้เขามีโอกาสได้ได้ยินได้ฟังทมถ้ามีโอกาสก็ลองช่วยเข้าไปวัดดูออย่างนี้ถ้าเขาอยากถ้าเขาไปก็ไปเขาไม่อยากไปก็อย่าไปช่วยเขา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 รอสักพักก็ได้พักสักพักหนึ่งก็ได้ถ้าง่วงจริงๆก็ท้าง่วงจากเพราะว่าเราเพิ่งรับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆตอนนั้นก็ไปนอนพักสักก่อนก็ได้พักชั่วโมงพอตื่นขึ้นมาแล้วทีนี้ก็หายง่วงแล้วทีนี้ก็เดินถ้ายังง่วงอยู่ก็แสดงว่ามันไม่ใช่เป็นเรื่องของอาหารแล้วเรื่องของกิเลสก็ต้องอดอาหารให้มันหิวถ้ามันหิวแล้วมันก็จะไม่ง่วง แต่ ก, ก็ระวังมันจะฟุ้งซ่านมันจะมันจะไม่ยอมพุโทโธมันจะคิดแต่เรื่องอาหารแล้วเดี๋ยวมันก็หมันกับพุโทโธไม่ได้เดินจงกรมไม่ได้นั่งสมาธิมไม่ได้ดันั้นต้องรู้จักกล้ า, าหารอดทนคนที่อยากจะได้ธรรมะนี่ว่ามันจะมีอุปสรรคคอยขวางกัน้นและวิธีแก้อุปสรรคมันก็ต้อง ทรมานตนเขาเรียกวการทรมานตนการอดอาหารการผ่อนอาหารเนี่ยหรือไม่เช่นนั้นก็ต้องเดินเยอะๆเดินให้มันหายง่วงเลยมันง่วงก็บังคับให้มันเดินอย่าอย่าหยุดเดินเดินบังคับมันทีละก้าวสองก้าวสามก้าวไปเดี๋ยวถ้าเราชนะมันจะมันหายง่วงถ้าแพ้มันมันก็จะวิ่งมันมันก็จะเดินไปนอน เอนเลยอีกข้อหนึ่งหรือไปอยู่ที่น่ากลัวก็ได้ถ้าอยากจะหายถ้าอยากจะหายง่วงก็ไปที่ไปที่ไหนที่มันน่ากลัวมันจะนอนไม่หลับทั้งคืน้องไปเดินจมกรมนั่งสมาธิในป่าช้าดะต่อไปต้องถามจากคุณยูในบทสวดมนต์อริยมัติมีองค์แปดข้อสัมมาสติที่ว่าพิสุในธรร ม, มวินัยนี้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 คำถามจากคุณลพิวันเรื่องความอยากถ้าโยมจะไปซื้อบ้านเก่าของโยมไว้แต่เราไม่เดือดร้อนมันคือความอยากใช่ไหมโยมแค่เสียดายมันอยากเอากลับมาแค่ครอบครองอีกสักพักเท่านั้นเองเพราะเรามีกําลังที่จะครอบครองมันค่ะก็อยากไม่ใช่เมื่อกี้ก็บอกว่าอยากจะได้หพี่มาไม่ใช่ถ้าอยากมันก็ก็อยากนะว่าทําไงได้ ถ้าเกิดได้มาแล้วเดี๋ยวเกิดมันไฟไหม้ไปก็จะเสียใจคำ ถ, ถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามลมปักลมลูกปักแตกต่างจากพานิพานอย่างไรครับลมลูกปักเหรอไม่รู้เหมือนกันพึ่งได้ยินวันนี้คำ ถ, ถามจากธรรมะในสวนข้อที่หนึ่ง ถ้าลูกมีเป้าหมายปฏิบัติให้ถึงขั้นโสดาบันลูกจะต้องปฏิบัติอย่างไรเจ้าคะมันก็ต้องไต่เต้าขึ้นไปจากชั้นต้นคือทานศีลภาวนานี่แหละอยู่ที่ว่าเรามีมีมากมีน้อยก็ทาไปต่เรายังไม่ใจเรายังไม่เป็นทานใจเรายังหวงมียังโลภอยู่ก็ต้องทำบุญทาทานให้มันหายโลภหายหวง ให้อยู่ให้้ไม่มีความอยากได้เงินมากกว่าความจำเป็นอย่เรียกว่าหายโลกขอให้มีเงินพอใช้เลี้ยงปากเลี้ยงท้องก็พอจะไม่อยากได้เงินมาซื้อข้าวซื้อของซื้อของฟุ่มเฟือยซื้อซื้อรูปเสียงกลิ่นลดอะไรต่างๆเหล่านี้ซื้อแก่ปัจจัยสี่แล้วก็ซื้อน้อยๆซื้อพอใช้ได้ซื้อผ้าสองสามชุดก็พอ ถ้าปฏิบัติธรรมก็เนี่ยชุดดำขาวเนี่ยสามชุดก็พอลนะชุดไว้ใส่ชุดไว้ซักชุดไวส้ไวสำรอง <í> มีสามชุดนี้ก็ไปไหนได้ลนะบ้านก็แล้วแต่ไม่มีบ้านก็เช่าก็อยู่ก็ได้ไปอยู่วัดก็จ ah ah ่ายค่าน้ำค่าไฟไปอาหารก็กินวันละมือ้อกินแบบถูกๆนะอะไร ต, ต้มตำน้ำพริกปลาทูผักจิ้มน้ำพริกอะไรเนี่ยืัเราไม่กี่ตังค์กินพอให้มันอิ่มพอให้อยู่ได้ยาก็รักษาสามสิบบาทรักษาทุโกโรคมีอยู่แล้วรักษาก็พอแล้วถ้ามีนี่คือขั้นต้นนะคือขั้นทานคือให้เราอย่าไปอยากได้เงินได้ทอง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 แต่อย่าไปยึดมันเป็นสารณะเป็นที่พึ่งในการหาความสุขด้วยความอยากก็แล้วกันเรียกว่าทาทานแล้วก็รักษาศีลให้บรยสุดธิ์พยายามศีลห้าศีลแปดแล้วก็อดจจเจริญสตินั่งสมาธิทำใจให้สงบพอใจสงบมีสมาธิจะมีกำลังพิจารณาร่างกายปล่อยวางร่างกายได้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 ข้อที่สองในขณะที่ลูกนั่งสมาธิจิตจะเริ่มนิ่งนั่งไปอีกสักครู่พุโทโธก็หลุดคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้ฟุ้งตลอดเป็นบ่อยมากเจ้าคะ่ะลูกควรแก้ไขยอย่างไรเจ้าคะก็พุโทโธต่อสิทาไมทำไมปล่อยให้มันไปคิดทำไมถ้ามันคิดได้เราก็พุโทโธได้ก็กลับมาพุโทโธต่อไปอย่าขี้เกียจต้องขยันพุโทโธพอพุโทโธหายก็ต้องเดินกลับมาใหม่ นอกจากมันสงบแล้วมันหายไปก็อีกเรื่องหนึง่งถ้ามันสงบนิ่งมันสบายมีความสุขไม่มีความคิดก็ไม่ต้องพุโทโธถ้ามันพุโทโธหายแล้วความคิดเข้ามาก็ต้องเดินพุโทโธกลับมาใหม่คำ ถ, ถามจาก u ู u ูบคาถามจากคุณสาธิกาลูกนั่งสมาธิชอบคิดคุ้ร้างไปเรื่อยลูกจะแก้ไขอย่างไรก็ค ะ, ะเช่นเดียวกันไม่มีสติไงก็ต้องหัดสร้างสติขึ้นมา มันรถยนต์ที่ไม่มีเบรกมันก็วิ่งไปเรื่อยๆถ้าต้องการให้รถหยุดมันก็ต้องไปติดเบรกถ้าเบรคเสียก็ต้องไปซ่อมเบรคใจเราก็เหมือนกับรถยนต์ชอบคิดไปเรื่อยๆถ้าอยากจะให้ใจหยุดคิดก็ต้องมีเบรกต้องมีสติสติก็มีหลายวิธีพุทโธก็วิธีหนึ่งนึกถึงศพก็วิธีหนึ่งนึกถึงกระดูกโครงกระดูกก็วิธีหนึ่งให้มันนึกอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งแล้ม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 มันไม่ถูกล่ะการทำความดีก็เป็นเหมือนกับการเอาเบาะมารองรับหรือเอาเกาะมาใส่ร่างกายเราแต่กรรมที่ไม่ดีมันก็ต้องแสดงผลเป็นเขาจะาปืนมายิงเราเนี้ยเราก็ห้ามขาไม่ได้แต่ถ้าเราทำความดีก็เหมือนกับเราไปซื้อเสื้อกเกาะมาใส่เขายิงเรามันก็เข้ามันก็ไม่เข้าไปในร่างกายาถ้าเรามีความดีวิบากกรรมก็จะไม่เข้ามาในใจเรา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 เนี่ยพระพุธเจ้าถูกทัตเทวทัตพยายามฆ่าถึงสามครั้งใจไม่หวั่นไหวไม่สะทกสะท้านไม่สะเทือนใจเลยอันนี้เพราะเพราะธรรหรือเพราะบุญที่พระเจ้าได้ทรงสร้างไว้จึงทําให้ใจนี้เป็นปกติไม่รุนหวายไม่เดือดร้อนแต่เรื่องร่างกายนี้ก็ห้ามไม่ได้แม้แต่ร่างกายพระเจ้าก็ยังต้องโดนสัก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 มันไม่เหมือนกับละลายอเอาเกลือไว้ในน้ำแล้วใส่น้ำเยอะๆอย่างเงี้ยใส่เยอะๆเดี๋ยวเกลือมันก็จ ะ, ะไม่มีไม่มีลดลดถ้าน้ำมันมากๆความเค็มของเกลือก็อาจจะถูกปริมาณของน้ำกบไปงเ้ไม่ใช่คือจะว่าใช่ก็ใช่แต่มันมันไ ม, ม, นไม่ไม่ได้เป็นอย่างนั้น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 ถ้าหลอกปลอกเปลือกอะไรนั้นท่านั้นเองนี่คือเรื่องของบุญที่เราทําไว้ที่จะรองรับกับบาปที่เราทําไว้หรือถ้าจะเปรียบเทียบอีกทีก็เหมือนกับไปหาเบาะานามารองไว้ใต้ที่ใต้ตึกอย่างเงี้ยเวลาก็จะกระโดดตึกลงมาเนี้ยตกจากตึกสูงๆถ้ามีเบาะานาๆรองรับอยู่มันก็จะไม่เจ็บแต่จะไม่ห้ามไม่ให้มันตกจากตึกไม่ได้ การตกจากตึกนี่เป็นเหมือนวิบากของกรรมที่เราทำไว้วิบากของบาป ท, ที่เราทำไว้มันต้องตกจากตึกแต่ถ้าเรารีไปหาเบาะมารองไว้เวลาตกมาจากตึกมันก็จะไม่เจ็บในลักษณะของบุญที่เราทำไว้ไปสำหรับรองรับกับวิบากรรมต่างๆอ่ะต่อไปคำถามจากคุณไกรลิน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 แต่พิธีกรรมอะไรต่างๆนี้ถ้าจะมีก็เป็นพิธีกรรมของสงฆ์เช่นเวลาสงฆ์จะทําสร้างโบสถ์สร้างอะไรนี้เขาจะต้องมีการามีการปรึกษาหาหรือว่าเป็นที่เหมาะสมหรือไม่เป็นอะไรต่างๆอันเนี้ยก็เป็นเหมือนพิธีกรรมอย่างหนึ่งแต่มันเป็นพิธีกรรมที่มีเหตุมีผลเป็นเวลาบวชก็ต้องมีพิธีกรรม ตอนที่จะมาบวชก็ต้องผ่านขั้นตอนว่ามีของครบหรือเปล่ามีคุณสมบัติครบหรือเปล่าพระก็ต้องประกาศบอกพระร่วมกันว่าเนี่ยมีดายนี้จะมาขอบวชเขามีของครบทุกอย่างมีคุณสมบัติครบถ้วนสง่ะขัดค้านหรืออนุมัติก็เป็นเหมือนเรื่องของสภายอย่างนี้ สภาเวลาจะออกกฎหมายก็ต้องมีการปรึกษาหารือการในการถกเถียงกันจนในที่สุดก็ไปสู่การลงคะแนนเสียงพอลงคะแนนเสียงถ้าเสียงมากกว่าเกือบหนึ่งก็แสดงว่าผ่านอันนี้ก็ลักษณะของพิธีกรรมของสองเป็นอย่างนี้แต่พิธีกรรมที่ทํากันในปัจจุบันนี้มันดูแล้วมันไม่จําเป็นอะ่ะคือจะนิมนต์พระไปฉันก็ฉันสิทําไมต้องให้นั่งพระพระต้องทําไม่ต้องนั่งสวดด้วย สวดไปทําไมส่วนไปคนก็ไม่มีคนฟังอยู่ดีเวลาไปกินนิมนต์นี่จะเอาคนแก่สองสามคนมานั่งฟังคนหนุ่มคนสาวเข้าไปต้อนรับแขกกันไปเตรียมข้าวของก็จะทําอาหารในคงในครัวกันปล่อยให้พระสวดอยู่กับคนแก่สองสามคนเพราะฉนั้นมันถ้าทําอย่างนี้มันก็อย่าไปทําดีกว่าถ้าจะให้พระสวดกบ ความเิ็นการสวดของพระก็คือการแสดงธรรมแต่สมัยนี้เราไปสวดภาษาบาลีฟังก็ไม่รู้เรื่องอีกก็เลยไม่อยากจะฟังกันนแต่ลาพระสวดก็เลยคุยกันแทนในงานศพนี่เห็นไหมพอพระกุสลาปั๊บนี่กรหันหน้าคุยกันเนี่ยก็ตาพิธีกรรมเหล่านี้ก็มันไม่มีความหมายไม่มีสาระประโยชน์อย่าไปทำํำ เดิมที่มันมีประโยชน์การสวดนี่ความจริงพาสวดเพื่อท่องจำคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะสมัยก่อนมันไม่มีหนังสือตรอ่านหนังสือไม่ออกเขียนไม่ได้กันก็เลยอาศัยความจำเพื่อจะได้หนึ่งผู้ที่ตัวเจะได้จได้จะได้เอาไปปฏิบัติได้ถูกต้องสองจะได้สืบทอดคำสอนอพระพรทเจ้าต่อไป ไม่ให้มันหายไปในที่พระสวดความจริงเนการท่องคําสอนนี่ท่านท่องภาษาบาลีเราก็เลยคิดว่าเป็นการสวดใบไปอะไรไปความจริงมันเป็นการท่องจำนั้นการพิธีการต่างๆของพระพุทธศาสนาควจริงมันมีเหตุมีผลแต่พอมาถึงปัจจุบันคนไม่เข้าใจเหตุเข้าใจผลมันก็เลยไม่ได้ทําได้ถูกต้องตามเหตุ ที่ที่จะทำให้เกิดผลเดอะพระก็แสดงทําใไม่เป็นก็แล้วสายสวยกันท่องกันไปเวลาเขานีมูลไปก็สวยกันไปคนฟังก็ฟังไม่รู้เรื่องก็รอเมื่อไหร่จะเสร็จเมื่อไหร่จะภาวะตุศรร้อนเลยตามว่ามาีา ฟังดูดัจะกับวัดเขากับกลุกล่มก็ฟังแล้วก็ดีแล้วใช่เอ า, เอ า, างใช่มันก็เป็นธรรมะเป็นการฟังเทศน์นั่นแหละแต่ทีนี้เขาก็กลัวว่าถ้าเปลี่ยนเอาเป็นภาษาไทยนั้นเดี๋ยว ก, กลัวจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันจะเพี้ยนไปอก็เลยเอาบาหลีดีกว่าบาหลีนี่มันภาษาตายมันภาษาที่ไม่มีคนใช้แล้วเอก็ไม่ต้องเปลี่ยน แต่ถ้าแปลเป็นไทยเดียวคนไอ้คนมาแปลก็แปลไม่เหมือนกันอ่ดีจําไม่เคยนะดีการจริงก็ให้พระรูปเดียวก็พอไม่ต้องมีพระมาสวดหรอกถ้าจ ะ, สะแสดงธรรมแล้วก็ไม่ต้องสวดก็นี่อย่างว่าสแสดงก็สแสดงไม่ได้ก็เลยต้องอาศัยสวดไปเ อ, เอาคําสอนขอพระเจ้ า, ามาอ อา่าเดี๋ยวตัวเองแสดงไปเดผิดก็อาจจะแสดงผิดได้ก็เลยอาศัยการสวดแปลไปอย่างนี้ก็ดีทางวัดเขาก็มีสวดธรรมจักรแล้วก็แปลไปด้วยสวดสลับกันไปสวดปาลีคำหนึ่งแล้วก็แปลคำหนึง่งไม่ใช่คาประโยคหนึง่งสวดบลีไปประโยคหนึ่งแล้วก็มาแปลสวดคําแปลภาษาไทยประโยคหนึง่งทิวัญญาณนี่กันหนังสือส่วนมันก็จะมีสอง มีบาลีอยู่ด้านหนึ่งเ อ, เองแล้วเอหน้านหนึ่งอยู่ข้างๆคู่กันไปก็เป็นภาษาคําแปลอต่นี้ถ้ามันทั้งทั้งแปลทั้งทั้งสวดทั้งแปลมันจะยาวมันจะเสียเวลามากอแล้วบางทีมันไม่มันมันไม่ติดต่อกันอะ่ะมันต่งแล้วมันยุ่งยากบาลีครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งบาลีครึ่งหนึ่งไทยครึ่งหนึ่งมันก็เลยอหุ่นวายไปหมดการส่วนนี้เป็นการทําใจ ให้สงบไม่ให้วุ่นวายมันก็กลับมาวุ่นวายก็งั้นพิธีกรรมต่างๆทุวันนี้มันค่อนข้างที่จะสับสนปัดปา่าถึงไม่ค่อยมีพิธีกรรมเท่าไหร่ปัดป่า ก, ก็มีแค่เนี่ยฟังเทศฟังธรรมเสร็จแล้วก็ไปภาวนากันถ้าอยากจะสวดเหมือนก็สวดคนเดียวไปสวดไปภายในใจเพื่อกล่อมใจให้สงบไม่ให้คิดพุ่งสร้าง น, นี่คือ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 การสวดนี่คนจะสวดคนเดียวเนี่ยอยู่ที่พักของเราสวดไปพึมพำพึ่มพำไปเพื่อจะได้ไม่มานั่งคุยกันมานั่งทะเลาะกันมานั่งคิดถึงขนมนมเนยกันนี่คืออุบายของการสวดมนเพื่อกล่อมใจให้สงบการจะสงบนี่ต้องอยู่คนเดียวสวดคนเดียวอจะได้ไม่ต้องไปมีอารมณ์กับคนอื่นคนอื่น แต่วะสวดแต่ละคนนี่มีเสียงไม่เหมือนกันเสียงดังเสียงค่อยไม่เหมือนกันสวดช้าสวดเร็วไม่เหมือนกันบางคนสวดไม่ฟังจากหมาคนอื่นเลยท่านจะสวดว่าไงอ้าวว่าคำถามจากคุณมานะการนึกพูดโทรจาเป็นต้องนึกไว้กลาองอกไหมเจ้าคะไม่ต้องนะไม่ไม่ต้องนะให้ให้นึกอยู่ให้อยู่กับคํานึกเท่านั้นเองมันอยู่ตรงไหนก็อยู่ตรงนั้น่ะ อยู่กับคำํคำคาพุโทโธไปไม่ต้องอยู่กับอาการของร่างกายส่วนใดส่วนหนึ่งคําถามจากคุณเมที่มโยมไปเดินออกกําลังกายตอนตีสี่กว่าที่สวนสาธารนณะรอบหนึ่งประมาณสามกิโลแล้วท่องพุโทโธไปด้วยใจสงบและนิ่งมากแบบนี้เรียกว่าเดินจงกรมไหมเจ้าคะได้เรียกว่าเดินจงกรมแล้วเรียกวิ่งจงกรมเนี้ยเราวิ่งใช่ไหม ไปออกกาลังกายหรือไปเดินเฉยๆท่านเดินเฉยๆก็ท่านเดินไปสวดไปก็ถือว่าเป็นการเดินจงกรมก็ได้คํถาถามจาก youtube คําถามจากคุณทีการที่พระท่านนําของที่คนมาถวายไปถวายพระที่ท่านไม่มีและไปแจกคนที่ไม่มีถูกต้องหรือเปล่าครับและคนที่นําของมาถวายจะได้ผลจากทานนั้นหรือเปล่าครับได้คนที่ถวายพอถวายแล้วก็ได้บุญแล้ว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 ก็ต้องเห็นใจคนละเพราะไม่ใช่มีคนให้คนเดียวบางทีมีคนให้เป็นสิบเป็นร้อยเนี่ยถ้าจะไปใช้ของทุกคนมันก็ไม่ไหวแต่ก็ควรที่จะดูการละเทศะเวลาคนให้เขายังอยู่ก็อย่าเพิ่งไปให้ใครเก็บ <c oughs> ไว้เฉยๆก่อ น, <ถา>นไว้รอเขากลับบ้านเลยก่อนยากตจกันม า, าถามจากคุณชาบ จัดเตียงของแห้งที่จะถวายเป็นสังฆทานที่วะดขอคำแนะนำด้วยค่ะนมกล่องผลไม้กล่องถั่วมะขามเหมาะสมไหมคะคือตามหลักพระวินัยเนี่ยของที่จะถวายพาระมันมีสามชนิดของที่เป็นอาหารนี่ย้าพระรับกับมือเนี่ยมันจะหมดอายุภายในเที่ยงวันเก็บไว้ข้ามคืนเก็บไว้กินต่อไปไม่ได้ถ้าอยากจะกินต่อไปต้องถวายแบบไม่รับกับมือ ้วางไว้แล้วลูกศิษย์จะเอาเป็นคนไปเก็บไว้ให้เวลาต้องการจะฉันเมื่อไหร่ก็บอกให้ลูกศิษย์เอามาถวายได้อย่างนี้ถึงในของสังฆทานบางทีมีของหลายอย่างปนกันของที่มีอายุพอถึงเที่ยงก็หมดอายุของบางอย่างก็เก็บไว้ได้เจ็ดวันเช่นของที่เป็นพวงน้ําตาลน้อยเคลนอน้ยใสน้ํามันน้ําผึ้งอย่างเนี้ยถ้ารับกับมือก็เก็บไว้ได้เจ็ดวัน ถ้าหลังจากเจ็ดวันก็ต้องสละไปถ้ายังมีเหลืออยู่ไม่สะสมถ้าอยากจะเก็บไว้นานๆก็ต้องเอาไปไว้เป็นของส่วนกลางแล้วเวลาต้องการก็ให้ลูกศิษย์มาประเคนให้อย่างของที่ญาติโยมมาถวายที่ส่วนใหญ่จะให้วางไว้ไม่ได้รับกับผ้าเพราะบางทีมีอาหารเนี่ยบางทีก็มีเมื่อกี้เห็นมีแบรน พอรับก็ฉันไม่ได้แนละ้วเพราะว่ามันเลยเที่ยงวันแล้วแจะเก็บไว้ฉันพรุ่งนี้ก็ไม่ได้เพราะหาว่าเป็นการเตรียบอาหารข้ามคืนก็ไม่ได้แตญาติโยมถวายได้แต่ญาติโยมต้องเชื่อพระพระบอกให้วางไว้ก็ได้บุญเหมือนกันแต่บางคนคิดว่าให้วางไว้แล้วไม่ได้บุญถ้าถ้าไม่ได้รับกับมืออย่งี้เขาก็อยากจะให้รับกับมือให้ได้พอรับกับมือพระก็ฉันไม่ได้ เ อ, าอ้าวยังไงว ะ, จะใจพระฉันเลื่อนยมยาวบุญแล้วตอนหลังพระส่วนใหญ่ท่านก็เลยตามใจโยมเอาอยากจะให้รับกำมือกครับมาตอนไหนมีอะไรใส่อะไรเข้ามากัดลรับมันหมดเลยเออรับมันหมดแล้วท่านก็จะละไปแล้วให้ลูกศิษย์มาถวายใหม่อยู่ดีมันก็ แต่ก็จริงมันก็ไม่ถูกมันสละแบบไม่ได้สละจริงสละแบบมุ้องเอามาคืนกูนะถ้าสละจริงก็น้อย เ, เข้าไปเลยก็จะไม่ต้องเอามาคืนเราแต่สมัยนี้เขาก็ทำแบบนี้นนนนอ่ะอ๋อองค์พระเก็บไว่ได้ฉันได้เจ็ดวัน ของบางอย่างเก็บได้บางอย่างเก็บไม่ได้ไม่หรอกเก็บได้เจ็ดวันมีอยู่ห้าก็เรียกเพสัชห้าชนิดน้ําตาลน้ำอ้อยพูดท่ า, าว่าหลวงปู่ม่นบอกว่าต้องให้มันเป็นยาไม่ใช่เอามาใส่อาหารที่ถ้าเปื่ยเอามาฉันเพื่อเป็นยาเนี่ยไม่มีปัญหาแต่ว่าท่านบอกว่าพระบางคงเหมือนเก็บไว้แล้วก็เอามาใส่อาหารเป็นฉันแบบเปรุงอาหารเนี้ยท่านอกผิดเออันนี้เราไม่ได้พูดติเราไม่ได้พูดอย่างนั้น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 นเลอนีออ่ความรายละเอียดเรื่องนี้เป็นเรื่องรายละเอียดที่สอนพระให้รู้ให้รู้จักแยกแยะอ่าก่อนกันนึกว่าเป็นอาหารอันนั้นอันนั้นชาเกินพมันเก็บไมนานอ่อาก็อยากจะชั น, นกล่องเอาไว้ก่ อ, กองๆไว้ก็ต้องการให้ทุกสิทธระเคนให้อ่าว่า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 เขาก็ได้อย่างนี้ไม่เป็นไรคือการซื้อลอตเตอรี่ซื้อแบบเล่นพนันก็ได้ซื้อแบบเสี่ยงโชคก็ได้ซื้อแบบทำบุญก็ได้ที่ว่าเงินที่เหลือจาก เ, าเงินที่รัฐบาลก็ได้จากลอตเตอรี่เขาก็ออกไปสงเคราะห์ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากเดือดร้อนองค์กรสาธารนณะกุศลบางทีก็ได้รับจากกองสลากเอ อันนี้ก็ถือว่าเป็นการทำบุญก็ได้ถ้าเราไม่ได้เล่นเพื่อแบบเอาเป็นเอาตายไม่ว่าเป็นเป็นที่พึ่งเป็นสาระโดยไม่ทำมาหากินอย่างอื่ น, นยอย่างเงี้ยท่านอย่างเงี้ยเรียกว่าเล่นแบบเล่นการพนันแต่ถ้าเล่นแบบนี้ซื้อใบสองใบเผื่อจะมีโชคอะไรก็ว่าไปแต่ถ้าทางที่ดีไม่เล่นเลยได้ก็จะดีกว่าแ้วถ้ า, ถ, าถ้าทำแบบนี้ก็ไม่เป็นไรซื้อเพราะสงคอสงสารคนขาย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 อย่าไปเป็นเครื่องมือท ร, รมาหากินอย่าใช้การเล่นการพนันเป็นเครื่องท ร, รมาหากินคำถามจากคุณรักษุทภาพในขณะที่นั่งสมาธิก็มีใจสงบดีแต่เมื่อออกมากระทบผัสตะภายนอกก็มีความรู้สึกดีไม่ดีชอบไม่ชอบเกิดขึ้นเมื่อมีเหตุทำเช่นใดในชีวิตปกติ ท, ที่ต้องทำงานอยู่ยังไม่สามารถออกมาปฏิบัติธรรมได้เป็นตัวค่ะก็อย่างที่สอนฮอกจะสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาคอยสอนใจเวลาชอบก็ให้คิดว่าสิ่งที่ชอบมันไม่เที่ยงเดี๋ยวเวลามันจากเราไปก็จะทุกข์ถ้าเราเฉยเฉยเวลาจากไปเราก็จะไม่ทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปชอบแล้วสิ่งที่เราชังก็บอกห้ามไม่ได้มันต้องเจอต้องเจอก็ต้องทนเอาไว้ท่นเอง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 ก็จะรักจะหวงจะไม่ยอมไม่ใครแตะไม่ให้ใครต้องนี่คือการใช้ปัญญาหลังจากที่ออกจากสมาธิมาแล้วก็จะทำให้ใจนี้เฉยๆได้ไม่ไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้พะถ้าไม่เช่นนั้นพอรักอะไรก็อยากจะได้ขึ้นมาพอชังอะไรก็อยากจะกำจัดมันพอกลูอะไรก็อยากจะวิ่งหนีพอหลงก็อยากจะ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 ต้องอาศัยสมาธิที่มีกำลังมากต้องมีความชำนาญในสมาธิก่อนถึงจะออกมาพิจารณาเพื่อให้เกิดเป็นวิปัสสนาขึ้นมาแต่แบบถ้าแบบทั่วๆไปเนี่ยก็ อ, ออกมาแล้วก็ถ้ามีปัญหาก็ใช้ปัญญาได้แต่ถ้าไม่มีปัญหาก็ใช้สติดีกว่าควบคุมความคิดว่าอย่าคิดถ้ามีปัญหาไปรักไปชังก็ใช้ปัญญามาดึงกลับไม่ให้ไปรักไปชังได้ แต่โดยเป้าหมายก็คือถ้ายังสมาธิยังไม่ช่ำชองยังไม่ชํนานางควรจะฝึกสติให้มากควรจะคอยควบคุมความคิดไว้เพราะถ้าไปใช้ทางปัญญาเดี๋ยวมันจะกลายเป็นความฟุ้งซ่านขึ้นมาแทนเพราะมันจะเป็นปัญญาไม่ได้ตลอดนะแล้วมันก็จะทําให้ไม่สามารถเข้าสมาธิได้ยงั้นมันต้องรู้จักว่าอะไรเป็นอะไรการปฏิบัตินี่มัน มันค่อนข้างที่จะอซับซ้อนขั้นหนึ่งควรจะคิดอีกขั้นหนึ่งไม่ควรจะคิดเนี่ยมันคนปฏิบัติก็บางทีก็ไม่รู้ว่าตอนนี้อยู่ในขั้นที่ควรจะคิดแล้วไม่ควรจะคิดก็เป็นแบบพวกเถ่นตรงพูบอกให้คิดก็ไม่คิดเลยพอให้คิดก็คิดจนกระทั่งฟุ้งไม่มีความสงบเลยเนี่ยมันจะเป็นอย่างนั้นไม่ต้องดูว่าจะคิดแล้วไม่คิดนี่ก็เพื่อที่จะรักษาใจให้สงบเนี่ย ป้ามายอยู่ตรงนั้นถ้าใจไม่สงบเอแล้วถ้าคิดให้มันสงบได้ก็โอเคก็คิดไปเอถ้าคิดแล้วมันไม่สงบก็หยุดคิดดีกว่าหาวิธีดึงหยุดมันอย่าให้มันคิดดีกว่าดึงมันมาจดจ่ออยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งอมันต้องรู้ว่าเป้าหมายของการคิดเรื่องไม่คิดนี่ก็เพื่อที่จะให้ใจมันนิ่งให้ใจสงบอืให้ใจไม่มีความอยาก ถ้าไม่เข้าใจหลังนี้แล้วมันปฏิบัติไปไมันก็ไม่รู้ปฏิไม่ไม่เข้าใจทาไปเพื่ออะไรอว่ามาคาถามจากคุณแอนการที่เราดูลมหายใจอยู่ที่ปลายจมูกเท่ากับเป็นการเอาจิตเราไว้ที่ปลายจมูกใช่หรือไม่คะเออนั่นแหละคือให้จิตมันจดจ่ออยู่กับเรื่องเดียวไม่ให้มันไปหาข น, นมนมเนยไม่ให้นไป ไม่ให้ไปหาภาพประยุนไม่ให้ไปหาแฟนไม่ให้ไปหาเงินหาทองให้มันอยู่กับลมเพื่อมันจะได้นิ่งจะได้สงบเพราะถ้ามันไปหาขนมนมเนยเดี๋ยวมันนั่งเฉยเฉยไม่ได้นะเดี๋ยวมันต้องไปนะพ อ, อคิดถึงกาแฟปั๊ปบนี่เดี๋ยวมันก็ไปสตาร์บัค ก, กันละ <c oughs> หมดหรือยังนี่คำถามเดียวโอเคนี่ใกล้จะหมดละคำถามจากคุณสิทธิศักดิ์การภาวนาลดความอยากได้อย่างไรครับ ก็เวลาจิตสงบความอยากก็จะหายไปความอยากเกิดจากการมีความคิดก่อนถ้ามีความคิดแล้วความอยากก็จะตามมาแต่ความอยากไม่ได้เกิดจากความคิดแหละแต่ความอยากอาศัยความคิดเป็นตัวเบิดทางให้ความอยากมันมีจะมีความคิดหรือไม่มีความคิดมันก็อยากได้เงแต่ว่าถ้ามันต้องคิดก่อนมันถึงจะอยากพอคิดถึงขนมก็อยากจะกินขึ้นมาเองตอเวลาคิดถึงขนมถ้าไม่อยากจะกินก็ต้องคิด เวลาขนมกลายเป็นอุจลาระไปถ้าคิดอย่า ง, งานั้นมันก็จะไม่อยากกินต้องคิดทางกลับมังต้องย้อนสอนคิดแบบย้อนสอนมันต้องคิดแบบมุมกลับนะทุกอย่างมันมีมุมกลับมีด้านลบเราอย่าไปคิดถึงด้านบวกเพราะคิดถึงด้านบวกแล้วอยากจะได้เพราะพอให้คิดถึงด้านลบแล้วมันก็จะไม่อยากได้เพราะคิดว่าเกิดนี่มันก็อยากจะเกิดกัน แต่ว่าคิว่าเกิดแล้วต้องตายเนี่มไม่เกิดดีกว่ามั้งคิดอย่างนี้หมดแล้วเหรออ่าเอาละกลับจากตะใต้คําถามจากคุณชาร์ปถ้าถวายยาสมุนไพรที่ไม่ใช่อาหารหรือของใช้เช่นยาสีฟันถวายกับพระอาจารย์โดยตรงได้ไหมครับถ้าเป็นของที่เป็นยานี่รับกํามือได้เก็บไว้ได้ตลอดไม่มีอายุไม่มีวันหมดนถ้าเป็นยานะ แต่ไม่รับกรรมือก็ไดก้ก็ได้บุญเท่ากัน่ะยังดาวพระจะได้ทำถูกต้องกับพระวินัยเท่านั้นเองหมดแล้วน ะ, ะก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำมาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งยิ่งขึ้นไปเถอด